ท่านฝั่ที่เคารพคะได้เวลาที่จะมาพบกับพระอาจารย์ไพบูลคะ่ะหลังจากที่เรานั่งสมาธิฟังท่านมาร ก, กันมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เสมือนกับว่าเราได้ไปอุดอรเลยนะคะน้องหานน้ำตกสการกันทั้งคะอาจารย์เชนพที่อุดอร อ, อรําเภอหนองหานนี่ก็น้ําไม่ท่วมนะคะแต่ว่านนที่วัดชวใช่บีหนองก็มีหนองน้ําใหญ่อยู่สองสาม <c oughs> แห่งแต่ว่าน้ําไม่ท่วมที่วัดก็น้ำไม่ไม่ท่วมที่นี้ว่า ได้รับข่าวเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมหลายที่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามีมีความรุนแรงเหมือนกันนะคุณยมติวเนาะเรื่องน้ําท่วมนี้ต้องบอกว่ารุนแรงมากและขณะเนี้ยขวัญและกําลังใจของคนที่ถูกน้ําท่วมหรือคนที่แวแววว่าน้ําจะมาถึง อ, อะไรอย่างนี้นะคะและบางคนเนี่ย น้ำอาจจะยังไปไม่ถึงแต่เห็นความทุกข์ของเพื่อนแล้วแม้มันไม่สบายใจเลยญาติพี่น้องเราทั้งนนคนไทยด้วยกันอย่างนี้คะ่ะท่านคะและแถมยังมีคำทํานายอีกด้วยนะคะว่าเดือนพฤศจิกามันจะแย่กว่านี้อีกอคิดว่าธรรมะคงจะต้องขอให้มาช่วยจิตใจของผู้คนในช่วงนี้คะ่ะท่านคะธรรมะช่วยได้แน่นอนก็จะมีอยู่ประเด็นที่จะพูดถึงตรงนี้ผู้เช่าเคยพูดถึงความทุกข์ นะที่เราจะต้องเจออย่างเช่นว่าในเวลาที่เกิดทุพพิกภยัยข้าวอาหารหายากอย่างนี้นะหรือว่าเกิดคลาวที่น้ําท่วมใหญ่อย่างเงี้ยก็เคยพูดทอาไว้ว่าเอ๊ะถ้าเราเล็งเห็นปัญหาในข้อ น, นี้อยู่เนี่ยควรจะรีดทําความเพียรนี่คือก่อนน้าท่วมนะได้พูดเอาไว <Okay. S 1> ้ทีนี้ว่าพอน้ํามันท่วมไปแล้วอย่างเงี้ยนะก็ได้เคยตรัสเอาไว้ถึงว่าถ้าเรามีความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากตรงนี้มีความทุกข์ใช่ไหม ก็จะต้องแทนที่จะไปหาความสุขโดยใช้วิธีทางการคือตาหูจมูกลิ้นกายก็ให้ดับความทุกข์นั้นเนี่ยด้วยการปล่อยวางนะนี่คือวิธีการเรียกว่าวิธีที่จะส ล, ะสลายความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตลาอันนี้เปนที่1ประเด็นที่2คือจ ะ, ต, ออะต้องหาความสุขมาทดแทนเราต้องหาความสุขมาทดแทนซึ่งความสุขที่จะมาทดแทนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้ใช้ความสุขที่เกิดจาก ในภายในคือเรื่องของสมาธินี่เองเพราะฉะนั้นเวลาที่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะอาจจะหมายว่าถ้าเราอดทนนะอดทนต่อสู้ต่อไปนะความอดทนเราเนี่ยจ ะ, ะมีผลผลที่จะเกิดขึ้นอย่างแรกนี่ก็คือว่าทําให้จิตของเราเข้มแข็งขึ้นนะทําให้จิตของเรามีกําลังเข้าสู่สมาธิได้ง่ายในะเวลาเจอปัญหาอะไรมันก็ค่อยๆแก้ไปะนะคุณโยมติวขนาดพระพุทธเจ้าของเราเองนะโอเจอปัญหาหนักมาก ตั้งแต่ก่อนบวชบวชมาแล้วสั่งสอนธรรมะนะสอนคนนี้ก็แบบไม่เชื่อไม่ฟังก็ค่อยๆแก้ไปนะใช้ความอดทนใช้ความ เ, าเห็นอกเห็นใจกันนะมีเมตตาซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยช่วยเหลือกันไปค่ะท่านฟังค่ะดิฉันเข้าใจว่าบางคนอาจจะฟังดูเหมือนแมมมันเป็นเรื่องไกลจากการแก้ปัญหาความทุกข์เฉพาะหน้าที่เผชิญอยู่แต่ลองคิดดีๆ คิดยังไงให้เข้าใจว่ามันไม่ได้ไกลถ้าแบกเอาไว้ไม่ปล่อยวางแล้วมันยังไงก็ับ่าะมันก็จะหนักแน่แหละเราก็ยิ่งเป็นทุกข์หนักเนะเราก็เราน่าจะช่วยโอกาสในวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นโอกาสในการที่จะรู้จักปล่อยวางอันนี้ที่1 2. รู้จักการที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะในการที่จะรู้จักอดทนแล้วก็ในการรู้จักเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่มีเมตตาจิต เราฝึกตรงนี้มันไม่ใช่โอกาสจะฝึกกันได้ง่ายๆนะคุณยมติวเวลาที่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะเนาะค่ะคือในมุมของดิฉันเนี่ยมีความเชื่ออยู่อย่างว่าสถานการณ์แบบนี้นะนะคะมันเป็นที่ประจักษ์นะว่าไอ้ที่เราสแสวงหาความสามัคคีปรองดองอาจจะเกิดขึ้นอย่างดียิ่งเลยก็ได้ในช่วงนี้อืเพราะอย่างน้อยวันเนี้ยทุกคนมองเห็นว่าเฮ้ยเราไม่ได้สนใจแล้วว่าเป็นใครที่เห็นไม่เหมือนเราเราเคยคิดว่าพวกนี้เราไม่เอาหรอกมันคนละพวก นะคะก็ยังมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกัน่เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือก็คุณกันดีกว่านะคะอันนี้ก็ธรรมะช่วยได้จริงๆขอท่านลองดูซิว่าอืมเรากําลังกังวลเรามีความทุกข์เราลองปล่อยวางซินะคะว่าเราอยู่กับขณะนี้มีสติใช่ไหมคะแก้ปัญหาไปตรงไหนที่ดิฉันพูดไม่ถูกทำท่านต้องแก้เลยนะคะเพราะอันนี้พยายามจะตีความให้ง่ายๆเข้าแล้ว ก็ S <S เรื่องของธรรมะนิดนึงตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องของจิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาวิเคราะห์ ก, กันดูว่าเอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกั บ, กบเราเนี่ยนะมันมีอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่จิตใช่ไหมทุกอย่างมันจะมารวมลงที่เวทนาน ค, นคือความรู้สึกนั่นคือเวทนาที่เป็นสุขที่เป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขอย่างคนอื่นที่เขาไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะเขาไม่มีความเดือดร้อนเอาอย่างเราดูง่ายๆตอนญี่ปุ่นมีสีนามิเข้าอย่างเนี้ย เออเราก็แบบว่าจะไปช่วยเหลือเขาแต่ว่าความกังวลเดือดร้อนเนี่ยมันไม่เท่ากับตอนที่เราเจอเองนะใช่ไหมเพราะว่าภาษามันไม่เหมือนกันเราจะเข้าใจเลยว่าอ๋อเพราะมีภาษาจึงมีเวทนาเพราะนั้นธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวที่ว่าจ ะ, ะต้องรอตอนแก่ๆหรือว่ารอตอนที่เราสบายใจก่อนจึงจะค่อยไปทําตอนเนี้ยมันเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะแล้วธรรมะในจิตของเราแลนะเราเข้าใจธรรมชา ต, ติตรงนี้เราจะรอดพ้นได้สบายใจได้บางทีคือสมมุติว่า เออเราเคยอยู่ดีๆมีความสุขบ้านเราอยู่บนเนินด้วยอย่างไม่น่าเชื่ออยู่ดีๆก็มีน้ําท่วมแถมดันท่วมมิดบ้านทั้งชั้นเลยหรือบางคนบอกมิดหลังคาเลยเพราะว่าปลูกบ้านชั้นเดียวอันนี้จะบอกว่าเรากําลังเห็นความไม่เที่ยงหรือเปล่าคะเห็นความไม่เที่ยงได้อย่างหนึ่งทีนี้ทําไมบางคนไม่เห็นคุณยมติวบางคนเนี่ยโอ้โมปลักอยู่ในความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี่ทรัพย์สินชั้นหามาทั้งชีวิตนะมันทําไมเป็นอย่างนี้เตรียมการไว้ดีแล้วก็ยังมาเป็นอย่างนี้เขามองไม่เห็นความไม่เที่ยงนะ แต่อย่างนี้สามารถมองให้เห็นเป็นความไม่เที่ยงได้ใช่ไหมคะท่านคนจะมองเห็นความไม่เที่ยงได้เพราะอะไรเพราะว่าจิตของเขาเนี่ยจะต้องมีกําลังในการเห็นตามที่เป็นจริงอย่างในกอในขออย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาจะปล่อยวางได้หมดนะแต่ถ้าเขาไม่เห็นตามที่เป็นจริงคือเขาจะเห็นตามที่เป็นจริงได้จิตเขาจะต้องมีกําลังนะมีกําลังในการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงกําลังตัวนี้คือสมาธิที่จะเกิดขึ้นนะสมาธิที่จะเกิดขึ้นเล่าฝึก ค่อยๆฝึกไปอย่างคนที่ยังไม่ได้ฝึกตอนนี้ทำยังไงก็พยายามให้จิตของเรามีสมาธิอดทนเอาไว้เพราะอดทนเนี่ยจะทำให้จิตของเร า, เาตั้งมั่นอยู่ได้ น, นะค่ะนะคะเรียกว่าเราพยายามมองใหเ้เราเนี่ยมีทุกน้อยที่สุดและเราอาจจะได้ทำปรากฏเลยด้วยแต่ถ้าเป็นธรรมตามพระพุทธเจ้านี่พยายามที่จะหาความสุขทดแทนความทุกข์ที่รุมเร้าอยู่ ด้วยการอยู่กับสมาธิในบางเวลาถ้าทำได้ใช่นะคะ<ช>พอได้นะคะสมาธิทำได้ทุกเวลาค่ะนะคะตอนนี้เราก็คงจะได้เวลาปากติของช่วงเวลาของท่านเพบุญที่จะติดค้างอยู่ในช่วงเข้าพรรษาว่ามีพุทธประวัติจากพระโอษฐ์กับเรื่อง<ช>อริยสัจส<ช>ีค่ ะ, <ช>คะก็พูดถึงพุทธประวัติซะก่อนนะตอนนี้เป็นเรื่องที่พิเศษพิเศษที่ เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าอย่างเช่นว่าการที่มีเทวดามาพูดคุยด้วยนะแล้วก็การที่มเีเรื่องอะไรที่มันประหลาดประหลาดเกิดขึ้นะนะก็มีครั้งหนึ่งมีภิกษุผู้หนึ่งเนี่ยเขาชื่อว่าเกวัตตะภิกษุเกวัตตะเนี่ยเป็นผู้ที่มีฤทธิ์นะแล้วก็มีคาถามที่ตัวเองสงสัยอยู่มาตลอดตั้งแต่บวชมาก็คือว่าเอถ้าสดินน้าไฟลงดินน้าไฟลมเนี่ย ดับสนิทไม่มีเหลือในที่ไหนนะก็เลยเที่ยวไปถามเทวดาต่างๆไล่ไปเลยตั้งแต่ชั้นเจตุมหาราชิกาไล่ขึ้นไปดาวดึงเท้าสกตะเทวราชขึ้นสูงขึ้นไปจนถึงกระทั่งเท้ า, ทามหาพรหมนะไปถึงชั้นพรหมนู่นชั้นพรหมนี่ก็ตอบไม่ได้นะถามตอบอ้อมไปอ้อมมาแต่ก็ไม่สามารถตอบได้ว่าเอ๊ะท่านสีดินน้ำไฟลมเนี่ยมันดับสนิทไม่เหลือในที่ไหน สุดท้ายไม่รู้จะถามใครแล้วก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าพรนะพุทธเจ้าก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับนกพิราบเนี่ยนกเขาเรียกว่าไงนกทีอ่อยู่ตามริมทะเลนะว่านกเนี่ยมันจะบินไปที่ไหนมาไหนมันก็ต้องย้อนกลับมาที่ฝั่งเหมือนเดิมนะจะไปที่เกาะนู้นเกาะนี้แต่ไงก็ต้องย้อนกลับมาที่ฝั่งที่เกาะใหญ่เหมือนกันภิกษุถ้าเผอว่าไม่เที่ยว ไปหาความรู้จากที่เดิมเนี่ยไปถาที่นู่นที่นี่สุดท้ายมันไม่เจอมันก็ต้องกลับมาหาพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าก็เลยพยากรณ์เรื่องนี้บอกว่าเป็นดินน้ําไฟลมเนี่ยไม่ดับในนิพพานนั่นเองไม่หยั่งลงได้ไม่ใช่ดับลงที่ไหนคือไม่สามารถหยั่งลงได้ทีนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเรื่องตรงนี้เป็นอุปมาอุปไม้ที่น่าสนใจมากคือเขาจะมีนก ตัวหนึ่งสำหรับพวกชาวทะเลในที่เขาเลี้ยงเอาไว้เพื่อที่จะใช้ใสําหรับหาฝนะั่งนะเวลาที่หาฝั่งไม่เจอแล้วเนี่ยพวกชาวทะเลเนี่ยเขาก็จะปล่อยเรือนกตัวนี้ออกไปนะปล่อยออกไปเนี่ย น, นกก็จะไปค้นหาฝั่งนู้นฝั่งนี้แล้วก็จะกลับมาที่เรือนะ <Okay. S 1> ว่าอยู่ฝั่งไหนเช่นเดียวกันพระเจ้าก็เปรียตเหมือนกับภิกษุรูปนี้แหละ เดี๋ยเที่ยวไปหาคําตอบจากที่นั่นที่นี่ที่ไม่ใช่สารณะที่ไม่ใช่พุทธธรรมสงศ์นะสุดท้ายก็ต้องกลับมาหาพุทธเจ้าเหมือนเดิมค่ะนะคะนี่ก็เป็นพุทธประวัติในวันนี้หรือเปล่าคะใช่ใช่เพราะว่าต้องปรับกระชับให้สั้นไปตามเวลาที่ใช้ไปกับเรื่องปลอบใจน้ําท่วมทีนี้มาถึงอีกเรื่องหนึ่งอริยสัจสี่ค่ะอือริยสัจสี่นี่เป็นเรื่องของบุคคลผู้ดับดับทุกข์ได้นะตอนนี้เรายังอยู่ในหมวดนี้ คือเรื่องของอริยบุคคลนั่นแหละก็มีครั้งหนึ่งท่านพระสารีบุตรนี่ไปบิณฑบาตในเมืองปรากฏว่าเวลาอย่างเช้าไปหน่อยก็เลยเข้าไปพักรอเวลาอยู่ในอารามของพวกปริพาชกในที่นั้นเขาก็คุยกันอยู่คุยมติวคุยกันว่าเอ๊ะ ใ, ใครนอกจะรอดพ้นจากนรกกำเนิดเดชะฉานเปรตวิสัยนะแต่ว่ายังเกิดอยู่คือยังไม่เป็นพระอรหันต์นี่แหละแต่ว่ารอดพ้นจากนรกกาเนิดเดาชะฉันเปรวิสัยมีไหม เขาก็คุยกันสนทนากันด้วยเรื่องนี้นะท่านพระสัททบุตรก็ไม่ได้คุยอะไรนั่งนิ่งอยู่ก็เลยเมีความคิดว่าเออเดี๋ยวบินธบาชันเรียบร้อยแล้วจะมาถามพระพุทธเจ้านะพอมาถามพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยพยากรณ์ให้คือตอบปัญหาให้ว่าบุคคลที่ยังมีเขาเรียกว่าต้องมีการเกิดอยู่แต่การเกิดของเขานนเนี้ยไม่ไปในโลกําเนิดเดรัชานเปรตวิสัยแล้วเนี้ยมัอยู่ทั้งหมดเจ้าจำพวกนะคืออริยะบุคคล นะที่เป็นขั้นมรรคแล้วนะทั้งหมด <Okay. S 1> 9อย่างนะอย่างแรกก็คือโซดาบันใช่ไหมโสดาบันนี้มีสาประเภท <Okay. S 1> นะที่ต้องมาเกิดอีก7ดชาติที่ต้องมาเกิดอีกหนึ่สองสชาติที่ต้องมาเกิดอีก1ชาติเป็นอย่างมาก3ประเภทนะค <Okay. S 1> อย่างที่สองก็เป็นสกัดทาคามีนะอีกหนึ่งประเภทเป็น4 <Okay. S 1> อย่างละแล้วอย่างสุดท้ายนี่ก็จะเป็นอนาคามีอนาคามีนี่มี5้าประเภท okay. เพราะฉะนั้นรวมกันก็เป็น5บวก1บวก3ก็เป็น9ประพอดนะีที่ต้องพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าท่าผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินว่าอย่างพระเจ้าจั ก, กรพรรดิอย่างี้ที่มีความเป็นยิ่งใหญ่ตลอดทั่วโลกเนี่ยนะตายไปแล้วเนี่ยแต่ไปเกิดบนสวรรค์แต่ว่าหลังจากที่เป็นเทวดาอยู่บนชั้นดาวดึงแล้วเนี่ยจะไปที่ไหนเนี่ยไม่รู้นะไม่สามารถพยากรณ์ได้อาจจะเป็นนรกก็ได้ซึ่งมีความเสี่ยงตรงนี้สูงมาก พร <Ừ. S 2> ะพุริเจ้าก็เลยพูดอธิบายตรงนี้โดยใช้คําถามของท่านพระสารีบุตรนะนะว่ามีบุคคลเก้าพวกนี้แหละที่จะไม่ไปเกิดในนรกกำเนเดิดเรัจฉานเปรตวิสัยแต่ยังมีการเกิดอยู่ก็จะมีะทั้งเก้าประเภทเท่านั้นเองค่ะพวกเรานี่ไม่ไปเกิดในนรกเลรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตงี้ได้ไหมคะก็ต้องได้เป็นขั้นผลแล้วนะถ้าสมมติเราเดินโสดาปฏิมาคอยู่เช่นอะไรคุณเดินมีศีลห้าใช่ไหมดีมาก อย่างพูดเราเนี่ยนะเป็นพูดถึงสี่ห้าอย่างดีแล้วการดีมากเลยนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีมากเลยเดินอยู่บนโสดาปฏิมาละนะทำไปเรื่อยๆทำให้มันแน่ใจจกนกระทั่งเราได้เป็นโซดาปฏิผลก็จะชื่อว่าเป็นผูดเที่ยงแท้ต่อนิพพานละมีการตรสรู้พร้อมในเบื้องหน้าก็จะเป็นหนึ่งในบุคคลเก้าประเภทนี้ค่ะในเวลาที่เหลือกลับเรียนถามนี่หนึ่งก็คือว่าโสดาปฏิมาเนี่ยทีฉันเข้าใจแล้วว่าเดินอยู่บนทางมัสมรรถทางถูกไหมคะช่ทางที่ถูกต้องใช่ และเมื่อไหร่โซดาปฏิผลมันจะเกิดคท่านดาอ๋อก็เราสามารถพยากรณ์ตัวเองได้ถ้าเผอว่าเราสามารถเรียลรักษาศีลห้านะนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างลงใจนะยังไม่ต้องบังคับตัวเองอย่างเป็นธรรมชาตินั่นแหละนั่นแหละนะถ้าจะพยากรณ์ตัวเองก็พยากรณ์ตนและตนได้ว่าเราเป็นโซดาปฏิผลแล้วไม่ใช่ว่าเวลานั่งสมาธิอยู่ใช่ไหมเพราฉันคิดว่าฉันเป็นโซดาบันละ เดี๋ยวยุงมันมามีมีมีผัะเขาให้ น, น่นไม่ใช่หรอนะคะอื<ม>ใจก็ยังไปฝักไสในคู่คนอื่นสมมุติ ใ, <ช>ใจไปอย่างนี้หลุดโซดาปฏิพจน์เลยไหมคะหลุดโซดาปฏิมักเลยนะเอ่อมักยังไม่หลุดหรอกเพราะว่าถ้ายังไม่ได้ทำํำแต่ถ้า ค, คิดไปเนี่ยจะจะไม่เป็นไรยังไม่ผิด <S <S ไป ก, ก็เท่ากับว่ามันอยู่ที่ว่าเราทําได้จริงหรือเปล่าใช่และเราไม่หลอกตัวเองใช่แล้วก็ พิจารณาดูดีๆแล้วมันไม่หลุดไปจากกรอบดังว่านั้นเลยก็สามารถจะอนุมานได้ด้วยตนเองใช่ว่าเราได้ผลของการเป็นโซดาแล้วอยากอีกคั้งได้ไหมคะเอาแค่โซดา่อนสำหรับทุกๆ ท, ท่านโสดานี่คือหมายถึงโซดาบัน <c oughs> นะไม่ใช่โซดาโซดาโค้ซี่อะไรเงั้ย <c oughs> โซดา <c oughs> โดาบันเนี่ยก็คือบุคคลที่มีศีลห้านะชนิดที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พร้อย เป็นศีลที่เป็นอิสระจากปัญหาและไม่ถูกทิตริรูปคร่ำเป็นไปเพื่อสมาธิอันนี้5อย่างแรกรนะยางถัดมานะเป็นอีกสาอย่างหนึ่งก็คือมีศรัทธาอันยังลงมั่นไม่หวั่นไหวศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่วไหวันงงนว่นไหวนะในพ ร, ร, ระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือหมายความว่าถ้ารักก็คือรักแบบไม่ปันใจะนะก็คือใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งจริงๆไม่มีที่พึ่งอื่นนะมีปัญหาอะไรนึกถึงพระธรรมสงฆ์มี เขาเรียกว่าวิกฤตอะไรในชีวิตนึกถึงพุทธธรรมสงองแล้วก็จะเป็น2อย่างนี้รวมกันเรียกว่าโสดาปฏิยั่ง ค, าค่าสี่เป็นองค์แห่งการบรรลุโซดา4ี่องค์ก็มีโอกาสที่จะบรรลุเป็นโสดาบรรลุเป็นโซดาแล้วได้อะไรย้ำอีกครั้งสิ่งพอบรรลุเป็นโสดาบัรแล้วสิ่งที่จะได้ก็คือเป็นผู้ทิ้งแท้ต่อประนิพานธะ์ความทุกข์ที่เรายังมีอยู่เท่ากับน้ํา2งถึงสมหยดแต่ความทุกข์ที่สิ้นไปแล้วเท่ากับพื้นปฐพี ค่ะก็เป็นตัวร้านใจร้านใจที่เราได้เนรู้เรื่องอริยศาสตร์สี่แล้วว่าทํายังไงถึงจะไม่ไปเกิดเป็นเปรตเดรัจฉานไปเกิดในอะไรที่มันต่ำกว่ามนุษย์เนี่ยนะคะก็เป็นพยายามเป็นสง่าบัณใช่ให้ได้ค่ะอย่าเพิ่งตายค่ะแต่ถ้าพระพุทธเจ้าพยากรณ์ในพยากรณ์เก้าประเภทเลยในบรรดาพระอริยบุคคลในลักษณะต่างๆคะวันนี้ก็นำมาสการขอบพระคุณท่านเป็นบุญเป็นอย่างยิ่งนะคะเป็นผาน เนื่องจากดิฉันพูดหลายเรื่องมากเลยท่านฝั่งคะวันนี้เราคงต้องลากันค่อนข้างสั้น022690006เป็นเบอร์ที่ท่านโทรเข้ามาทั้งขอหนังสือและทั้งทิ้งคำถามหนังสือคือพุทธวจนะนะคะส่วนหมายเลขส่วนที่จะถามคำถามท่า น, านไปบูรณัทที่เพียวธรรมะ .com/106 ค่ะวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่พรุ่งนี้ตีหเหมือนเดิมพุทธวสตีค่ะ